อะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตคนเราหลายคนนึกถึงข้อปราอาหารรวมทั้งน้ำและอากาศ น, นั่นเป็นสิ่งจำเป็นนะสำคัญทีเดียวแต่ว่ามันจำเป็นสำหรับร่างกาย คนเรานี่ไม่ได้มีแค่ร่างกายเรามีจิตใจด้วยเอาเข้าปรอาหารน้าอากาศเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นสำหรับร่างกายและอะไรคือสิ่งที่สำคัญจำเป็นสาหรับจิตใจก็มีมากมายนะแต่มีอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือความรักความรักเริ่มตั้งแต่ความรักของพ่อแม่นะญาติผู้ใหญ่ความรักของมิตรสหายความรักของครูบาอาจารย์คนเราเนี่ยแม้จะมีข้าปรอาหารแต่ถ้าขาดความรักจากคนรอบข้างเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่ไม่สมประกอบนะ เราต้องพูดอย่างนั้นและแม้แต่การเจริญเติบโตทางร่างกายก็อาจจะไม่ดีด้วยเด็กทารกเนี่ยที่คลอดออกมาและร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเช่นอาจจะคลอดก่อนกำหนดแล้วก็จำเป็นที่จะต้องไปหาเข้า ในตู้อบมันจะมีความแตกต่างนะระหว่างเด็กที่ไม่ได้รับการสัมผัสนะจากพ่อแม่กับเด็กที่ได้รับสัมผัสจากพ่อแม่ในตู้อบนี่มันก็มีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับร่างกาย แต่ทำไมเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยอเติบโตเท่าไร่มือประมาณสักขี่ว่าคงประมาณ 30-40 ปีมันนะอันนี้ตัวเลขจาไม่แน่นอนเขาเคยมีข้อห้ามนะว่าเด็กที่อยู่ในตู้อบเนี่ยห้าม พยาบาลหรือพ่อแม่เนี่ยไปสัมผัสตัวเพราะว่าอาจจะติดเชื้อนะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ทำกันสืบมานะแต่ในโรงพย า, พยาบาลนึ่งนี่มีเด็กคนหนึ่งนะเติบโตดีกว่าเด็กคนอื่น แล้วก็แปลกใจนะว่าเป็นเพราะอะไรในเมื่อเด็กทุกคนนี่ก็ได้ทุกอย่างนะที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วที่สุดก็พบ ว, ว่าเด็กคนนั้นนะ่ะเด็กที่โตเร็วนี่มีพยาบาลคนหนึ่งนะแกแค่อยๆเอ็นดูมั้งอาจจะเห็นว่าผอมมากก็เลยแอบไปจับเนื้อต้องตัวไปสัมผัส ด้วยความรักนะด้วยความห่วงใยเพราะกล ว, ว่าเด็กคนนั้นก็ก็กลับนะเติบโตได้เร็วกว่าเด็กทั้งหลายนะในะในโรงพยาบาลนั้นที่อยู่ในตู้อบอพยาบาลแอบทำเพราะว่าเ้าห้ามนะเพราะเขาคํานึงแต่เรื่องของร่างกายว่าถ้ามันติดเชื้อนะ จะมีปัญหาแต่ว่าลืมความต้องการทางจิตใจของเด็กนะทารกเนี่ยเขาก็ต้องการความรักเหมือนกันนะพอเขาได้รับความรักเริ่มจากการสัมผัสเริ่มจากการกอดของพ่อแม่หรือถ้าไม่มีพ่อแม่ก็พยาบาลนี่แหละถ้ามันช่วยทําให้เด็กมีความสุขและความสุขก็ทําให้ร่างกายมันก็ จเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นีน่ขณะดเด็กทารกนะนับภาษาอะไรกับเด็กที่โตแล้วแล้วก็รู้ภาษีภาษามีหัวจิตหัวใจยิ่งต้องการความรักแต่เด๋ยนนี้เนี่ยเด็กจำนวนมากเลยเติบโตมาโดยขาดความรักเพราะว่า ในสังคมปัจจุบันเนี่ยหลายครอบครัวพ่อแม่ก็หย่าร้างกันหรือบางทีผู้หญิงแล้วก็คลอดลูกโดยที่ไม่มีพ่ออันนี้เกิดขึ้นมากในชนบทนะ หญิงสาวในชนบทนะไปทำงานในกรุงเทพ้วก็ไปชอบผู้ชายให้ผู้ชายนีก่ก็อาจจะหวังแค่ประโยชน์เฉพาะหน้านะพอได้หลับนอนกับผู้หญิงผู้หญิงท้องผู้ชายก็ทิ้งผู้หญิงก็ต้องกลับมาที่บ้านมาเลี้ยงลูกคนเดียว หรือบางทีไม่มีปัญญาเลี้ยงก็ส่งลูกไปให้ยายเลี้ยงะในชนบทเดี๋ยวนี้เด็กที่ไม่ได้อยู่ในการเลี้ยงดูของพ่อแม่นะแต่อยู่ในการเลี้ยงดูของยายมีเยอะมากเลยในะมหมู่บ้านนะรอบๆหรือแถวๆนี้ก็มีเยอะเชียวนะที่เด็กที่เลี้ยงดูด้วยยาย เพราะพ่อแม่ยาล้างบ้างหรือว่าแม่ไม่ได้แต่งงานนะขอลูกมาแล้วผู้ชายไม่รับผิดชอบหรือว่าก็มีจานวนไม่น้อยที่พ่อแม่ก็ยังอยู่แต่ไม่มีปัญญาเลี้ยงพ่อแม่ไปเป็นกรรมกรอยู่ในกรุงเทพนะไม่มีปัญญาเลี้ยงแน่นอนก็ส่งลูกมาให้ยายในหมู่บ้านเลี้ยงเป็นอย่างนี้มากเลย ยังไม่นับประเภทว่ามีพ่อแม่ก็จริงแต่พ่อแม่ไม่มีเวลาพ่อแม่ต้องทำมาหากินนะมีลูกอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะให้ความรักนะความใส่ใจนะเด็กจำนวนมากเนี่ยเนะติบโตมาโดยขาดความรักถ้าโชคดีนะไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่แต่ได้รับความรักจากยายอย่างอบอุ่น ยายเป็นเหมือนแม่คนหนึ่ง อ, อันนี้ก็ก็เรียกว่านะโชคดีแต่ว่าจนวนมากไม่มีโชคแบบนั้นเติบโตมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความรักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์มากรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่านะไม่มีคุณค่านะพ่อแม่จึงไม่ไม่มาดูแลหรือว่าพ่อแม่ถึงทิ้งเรา ไม่เลี้ยงดูเราเด็กมีปมด้อยปมด้อยนี่ก็อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมอีกหลายอย่างตามมาเช่นเรียนก็ไม่ดีท ร, รมาหากินก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีความเชื่อมันในตัวเองที่ยากกว่านั้นคือเข้าหาอบายมุก หรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะคบผู้ชายไม่เลือกหน้าเพราะคิดว่าเรียกว่าโหยหิวความรักคนที่หิวโหวยความรักเนี่ยบางทีก็หวังความรักจากเพศตรงข้ามว่าจะมาทดแทนแต่ได้แล้วก็ยังไม่พอก็ไปหาคนใหม่หรือบางทีผู้ชายนั่นแหละหลอกผู้หญิงนะเพราะเห็นว่าผู้หญิงนี่โหยหาความรักจากผู้ชายก็หลอก นะสมอารมณ์หมายแล้วก็ทิ้งนะผู้หญิงก็ไปหาคนอื่นต่อไปอันนี้ก็เรียกว่านะไม่มีหลักนะในการดำเนินชีวิตหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องการประชดนะต้องการประชดสังคมประชดชะตากรรมนะทำตัวเล็วแหลกนะนะผู้ชายก็เป็นนะ แต่ลักษณะอาจจะเป็นประเภทพวกอันตพานพวกอย่างพูดนักเรียนอาชีวะที่ชอบยกพวกตีกันพวกนี้จำนวนมากเนี่ยขาดความรักแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จในการเรียนตัวเองก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเชิดหน้าชูตาได้ก็เลยคิดว่าเนี่ยฉันถ้า เด่นทางดีไม่ได้ก็เด่นทางชั่วก็แล้วกันนะหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเข้าพวกเพราะต้องการแต่ละความยอมรับจากหัวหน้าแก๊งหรือเพื่อนพ้องด้วยกันไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่แก็ไปสแสวงหาการยอมรับจากเพื่อนเป็นการทดแทนและเพื่อที่ให้เพื่อนเนี่ยยอมรับก็ต้องยอมที่จะทําทุกอย่าง แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพื่อนท้าให้ไปไปจี้ไปไป่นไ ป, ไ ป, ป, นไปข่มขืนก็ไปเพราะไม่งั้นจ ะ, ะถูกเขาต่อว่าดูถูกนะหาวาหนาตัวเมียคายาก็เหมือนกันนะก็ไม่อยากค่าแต่ก็ต้องไปสุดท้ายก็ติดติดแล้วก็หลงวนอยู่ในวัตตะของการค่าและเสพยา อันนี้ไม่นับถึงคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะขาดความรักมันมีปมคนเหล่านี้เนี่ยยิ่งมีพฤติกรรมก้าวร้าวก็ยิ่งไม่ได้รับ ก, การยอมรับจากคนรอบข้างคนที่อยู่ใกล้เ้าก็ละอาไม่อยากคบหายิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างวางเข้าไปใหญ่แล้วก็ ก็เลยกลายเป็นพาชีวิตให้จมอยู่ในความทุกข์หรือว่าสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเวลามีลูกนะก็ก็ไม่ได้ใส่ใจลูกบางทีก็ด่าลูกตบตีลูกนะอาจจะมองว่าลูกเนี่ยเป็นตัวขัดขวางความสุขนะเป็นมารหัวคนทาให้ไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นได้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ก็เรียกว่าส่งทอดนะความรุนแรงความทุกข์ให้อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะได้มากขึ้นนะในสังคมปัจจุบันนะซึ่งเรียกว่านะคนเหล่านี้ก็น่าสงสารมากแล้วก็บางครั้งก็ขาดคนเข้าใจเพราะว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจหรือยอมรับได้มีแต่อยากจะผักไส บางคนก็ชอบขโมยนะชอบขโมยนะไปเห็นเงินทองเป็นสารณะคิดว่าเงินทองจะทำให้ตัวเองได้เป็นที่ยอมรับนะมันก็ได้รับการยอมรับชั่วคราวพอเงินหมดนะเขาก็ตีจากไปคนเหล่านี้นี่ถึงเวลามีความประสบความล้มเหลวนะ เช่นแต่งงานแล้วนะแล้วก็เลิกกันเนี่ยจะเจ็บปวดมากยิ่งเป็นการซ้ำเติมว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าพ่อแม่ก็ทิ้งนะมีแฟนมีสามีมีมเมียมเมียก็ทิ้งนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนะถูกผัวทิ้งก็ถือว่าตัวเองนี้ไร้ค่าโทษตัวเอง บางทีก็เลยเข้าหาเล่าก็าหายาเสจติดสุดท้ายบางทีก็ฆ่าตัวตายอันนี้คือสภาพที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมแล้วคนเหล่านี้นี่พอเวลาเจ็บป่วยนะอันนี้ก็น่าสงสารมากในโรงพยาบาล น, นะมีคนป่วยที่อยู่ในระยะท้ายพวกนี้เนี่ยแค่ความทุกข์ พาะโรคภายไขเจ็บนี่ก็หนักแล้วนะมันยังมีความสึกเจ็บปวดนะพาะ่าบาดแผลในจิตใจที่ไม่มีคนรักหรือได้รับความรักบางทีก็เกิดขึ้นกับเด็ ก, ดกมีเด็กคนที่9ขวบนะเป็นเป็นมะเร็งนะมะเร็งที่เป็นบ่อยนะกับเด็กนะี่คือเลวิคเมีย เด็กก็อาการก็แย่ลงไปแย่ลงไปจนกระทั่งเรียกว่าอยู่ในระยะ้ายแล้วแต่ว่าเด็กนี่ไม่ยอมตายนะเด็กนี่ไม่ยอมตายสัญญาณชีพมันแย่หมดแล้วหมอเนี่ยนะไปเยี่ยมก็แปลกใจแต่ก็สังเกตนะว่าอ่านะ รอบๆเตียงของเด็กเนี่ยรวมทั้งฝาผนังอันนี้ที่บ้านนะของเด็กมันมีภาพที่เด็กวาดเป็นภาพพ่อแม่ลูกนะอยู่ด้วยกันนะแต่และภาพก็มีแต่ภาพเนี่ยพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกแต่ในชีวิตจริงของเด็กคนนี้มีแต่แม่พยาบานเออหมอไม่เคยเห็นพ่อเลยก็ถามว่าพ่อไปไหน ก็ได้คำตอ ว, ว่าอยากเลิกกันไปนานแล้วแล้วก็ไม่ติดต่อกันเลยหมอก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้แม่เนี่ยไปติดต่อนะพ่อและแจ้งให้รู้ว่าลูกเนี่ยกำลังป่วยหนักที่แรกแม่ก็อิดออดนะเพราะไม่อยากจะเจอนะสามีแล้วเจ็บปวดมาก แต่พอหมอนี่ยืนยันนะขยันขยอก็ไปเรียกไปติดตามหาพ่อมาจนเจอพ่อเนี่ยพอรูวร้ว่าลูก ป, ป่วยหนักเนี่ยก็รีบมาเลยมาถึงก็มายืนมานั่งอยู่ข้างเตียงลูกเนี่ยซึ่งเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยมีสติแล้วนะเพรใกล้าตายเต็มทีพอรู้วพ่อมาเนี่ย สิ่งที่ทำก็คือจับมือพ่อมาวางไว้บนอกของตัวเองแล้วก็จับมือแม่อีกข้างรึงมาวางไว้บนอกของตัวเองแล้วเด็กซึ่งมีอาการกระสับกระส่ายนี่ยนะพอทำอย่างนี้เขาก็รู้สึกนะสงบนิ่งเลยแล้วก็ไม่นานเขาก็ตายตายจากไป ตายเพราะว่าเรียกว่าได้เหมือนกับเหมือนกับว่าความปรารถนาสุดท้ายในชีวิตได้นะได้ทำแล้วก็คือพ่อกับแม่ได้มานะส่งตัวเองได้รับความรักจากพ่อและแม่พร้อมๆกันก็จะตายไม่ได้เพราะยังห่วงยังห่วงพ่อนะหรือว่าตายไม่ได้เพราะว่า ปรารถนาความรักจากพ่อก็ได้นั้นพอพ่อมาเนี่ยเยขารู้สึกมีความสุขมากที่ได้เอามือของพ่อเนี่ยมาวางไว้บนอกของตัวเองมันเป็นสัมผัสสุดท้ายนะที่ทำให้เขาพร้อมที่จะตายได้ถ้ามีอีกลายหนึ่งนะก็อายุมากหน่อยนะ17 พ่อแม่ตายตั้งแต่เล็กนะเพราะว่าเป็นเอด ต, ตายตั้งคู่ตัวเองเนี่ยเป็นกาพร้าตั้งแต่ 2-3 ส, สาขวบจำหน้าพ่อไม่ได้อยู่กับยายยายก็ยากจนนะเก็บขยะมาหาเงินมาด้วยการเก็บขยะเลี้ยงชีพก็ได้เงินนิดหน่อยแต่ยายก็รักหลานมากนะก็ดูแลหลานอย่างดี แต่ว่าลามเนี่ยนะก็เกิดเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งที่กระดูกนะตอนที่มะเร็งมันลามเนี่ยโรงพยาบาลที่ตัวเรักษาเนี่ยนะคือบุรีรัมเขาไม่มีเทคโนโลยีนะก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นแต่เด็กไม่ยอมไปนะ เด็กบอกว่าถ้าไปแล้วใครจะดูแลยายนะใครจะเลี้ยงดูยายหาเงินให้ยายไม่ยอมไปนะสุดท้ายโรงพยาบาลก็ต้องนะหารถเนี่ยพาไปส่งที่ขอนแก่นไปถึงขอนแก่นก็จะเรียกร้องจะกลับอย่างเดียวอยากกลับบ้านอยากจะไปหายายอยากไปหายาย พอได้กลับมาบุรีลำนะ้นได้เจอยายก็ดีใจแต่การกระทุมันก็ลุกลามเร็วขึ้นนะลามไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งระยะท้ายแนละ้วเจ็บปวดมากต้องฉีดยาโมเฟนทุกสองชั่วโมงยายก็มาเยี่ยมนะแทบทุกวันมาเยี่ยมก็ไม่มีอะไรติดมือเราเอพราะจน แม้แต่ข้าวเนี่ยก็ต้องกินกับกินกับหลานนะอาหารของโรงพยาบาลที่ให้กับคนไข้ก็แบ่งกันนะหลานกินครึ่งหนึ่งยายกินครึ่งหนึ่งจนมากไอ้วันท้า ย, ายเนี่ยนะวันท้ายอวันสุดท้ายเนี่ยพยาบาลคนหนึ่งจะมาฉีดยาระงับปวดให้เพราะว่า แกต้องได้ยาทุกสองชั่วโมงแต่เด็กบอกว่าไม่ต้องฉีดแล้วครับผมไม่ปวดแล้วครับฉีดแล้วผมก็รู้สึกมึนๆ น, นะแล้วก็พวัาเนี่ยมีอย่างนึงที่ผมอยากได้ อยากได้อะไรพยาบาลถามอยากจับแขนพยาบาลครับพยาบาลก็ดีนะให้แกจับแขนแกก็จับแขนแน่นเลยนะแล้วก็จับแขนนานถึงครึ่งชั่วโมงแกไม่ทำอะไรแค่จับแขนอย่างเดียวพยาบาลก็ดีนะยืนให้แกจับ คนก็แปลกใจนะเพื่อนพยาบาลก็แปลกใจจกนกระทั่งนะบ่นขึ้นมาแล้วเนะี่ยบ่นกับเพื่อนนะบน่นบ่นถึงเพื่อนคนนั้นแหละว่าไม่มีอะไรทําหรือไงนะให้เด็กจับแขนคนไข้ก็เยอะนะจะต้องฉีดยาอีกต้องหลายคนให้เด็กมันจับแขนไปทําไมนะไม่มีอะไรทําแล้วหรือแต่พยาบาลคนนี้แกก็นิ่งนะเพราะแกรู้ว่า สิ่งที่เด็กคนนี้ต้องการคืออะไรเด็กต้องการความรักนะเด็กไม่มีใครเลยแล้วก็เด็กก็คงเห็นว่าพยาบาลคนนี้เนะี่ยมีเมตตานะนะเวลาเวลามาทําพัตธการเนี่ยพยาบาลคนอื่นก็ทำสักแต่ว่าทำํทำๆหรือรีบๆทำเพราะคนไข้ยเยอะสนใจแต่เรื่องร่างกายวัดความดันฉีดยาแล้วก็ไปแต่พยาบาลคนนี้แกใส่ใจนะ นุมนวนอ่อนโยนพูดให้กำลังใจแจ้คง น, นะอยากจะจับมือพยาบาลคนนี้จับแขนเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายความรักความอบอุ่นเนะี่ยพยาบาลแล้วก็ให้จับนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะพอเพื่อนมาต่อว่าพยาบาลคนนี้เด็กเนี่ยคนนี้ก็เลยได้ยินก็เลยบอกว่า พอแล้วครับคุณพยาบาลครับพอแล้วครับแค่นี้แล้วครับแต่ทางชีวิเนี่ยผมก็ต้องการแค่นี้เหละครับยังไม่ได้บอกคุณพยาบาลเรียกหมอหมอผมชีวิตัอนในทางชีวิผมก็ต้องการแค่นี้แหละครั บ, ร ค, บ, รร ค, ค, รบคุณหมอไปทํางานได้แล้วครับผมเข้าใจครับแล้วแกก็ปล่อยมือนะ นั่นคือตอนเย็นแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงนะแกก็สิ้นลมไอเรื่องนี้มันยังมีต่อนะพยาบาลคนนี้กับพยาบาลที่ที่บนเนี่ยนะนอนบ้านเดียวกันประมาณตีหนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูไอพยาบาลที่บนเนี่ย ก็ตื่นขึ้นมาเพรได้ยินเสียงเสียงเรียกเสียงเรียกคล้ายเสียงเด็กคนนี้เปิดประตูไปไม่เจออะไรนะก็เลยปิดกกลับไปนอนต่อว่ารุ่งขึ้นไปทำงานก็เพราะว่าเด็กคนนี้ตายแล้วถามว่าตายกี่โมงตายตอนตีหนึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่มีเสียงเคาะประตูเลยแพยาบยาลคนนี้นะแพทยาาที่บนเนี่ย เจอแบบนี้ผวาเลยนะเด็กมาลาไม่ได้มาลาพยาบาลที่ตัวเองจับแขนนะมาลาพยาบาลทบน่นและนัต่นั้นพยาบาลคนนีก้ก็กลายเป็นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะอ่อนโยนมากขึ้นเพราะเห็นว่าสิ่งสําคัญนะที่คนเราต้องการเนี่ยโดยเฉพาะคนใกล้ตายเนี่ยคือความรักยิ่งเด็กที่ขาดความรักขาดความอบอุ่นไม่ได้รับความประกจากพ่อแม่แล้วเขาต้องการมาก นะช่วงเวลาสุดท้ายของเขาเนี่ยนะไม่ใช่ยานะไม่ใช่ออกซิเจนนะแต่คือความรักหรือการได้สัมผัสกับคนที่เขารักนะอันนี้ไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกั น, นบางคนนี่อายุ3ามสิบ ก, กวานะ่าชีวิตก็ เคยคากที่พูดมานะพ่อแม่ไม่ได้กำพานะแต่พ่อแม่แยกทางกันแล้วแม่ก็ทิ้งลูกไปตั้งแต่เล็กนะพ่อก็เลี้ยงลูกตอนหลังพ่อก็แต่งงานใหม่นะมีแม่เลี้ยงแต่เด็กเนี่ยนะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ก็เหมือนกับคนที่ขาดความรั ก, ก น, นะก็ ใช้ตัว เ, เล่นใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจนะขี้ขโมยดือ้อแล้วก็ครบผู้ชายไม่เลือกหน้าจนทั้งติดเชื้อ HIV แล่พอเชื้อมันมันลามก็กลายเป็นเอจนะตอนที่นอนป่วยนี่ก็เรียกว่าเป็นเป็นคนไข้ที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ หมอให้ยาก็ไม่ยอมกินตามกำหนดก็วุว่าวายแต่ตอนที่อาการหนักๆเนี่นยนะโชคดีได้จิตอาสานะจิตอาสาก็มาแนะนำว่าพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงนะควรจะให้ความรักกับเขากอดเขานะแล้วก็บอกว่ารักเขา แ, แม่เลี้ยงก็ทำนะพ่อก็ทำเราก็ทำด้วยความจริงใจไม่เคยกอดกันนะแต่ว่าพอคนไข้เขา อ, อาการแย่ทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงก็ไปกอดแล้วก็บอกรักพอกว่าคนไข้นี่อาการก็ดีขึ้นเลยนะอาการดีขึ้นเลยไอ้ที่เคยที่เคยงองแงไม่ยอมกินยา ก็เริ่มกินยาตามกำหนดสนใจรักษาดูแลสุขภาพตัวเองก็เรียกว่ามีอาการดีขึ้นถ้าเราจะพ่อคนไข้จำนวนมากเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตเนี่ยก็คือความใส่ใจความรักที่จริงอย่าว่าแต่คนที่ขาดความรักในวัยเด็กคำพ่าพ่อัพอำพ่อแม่หรือพ่อแม่แยกทางกันเลย ถ้าคนที่มีพ่อแม่เลี้ยงดูอาจจะเป็นเด็กที่มีความอบอุ่นแล้วก็โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีสุขภาพจิตดีแต่พอมาป่วยด้วยโรคร้ายเช่นเป็นมะเร็งเนี่ยเวลาจะใกล้ตายเนี่ยนะก็ยังอยากได้ความรักจากคนรอบข้างจากพ่อแม่จากเพื่อนนเวลา บอกคนที่ใกล้ตายว่าเนี่ยนะว่าฉันรักเธอนะนะเธอมีคุณค่าต่อฉันมากนะนะหรือรูปมีความหมายต่อชีวิตของพ่อมากนะเขา ย, ยังรู้สึกว่าดีขึ้นเลยอาการกระสับกระส่ายก็ลดลงในภาษาเล่าคนที่เขาตั้งแต่เล็กจนโตขาดความรักนะยังมีรายหนึ่งนะพ่อแม่ไม่ได้แยกทางกันนะ แต่แม่ไม่มีเวลาจะเลี้ยงลูกนะต้องทำมาหากินก็ส่งลูกให้ยายเลี้ยงยายก็เลี้ยงดีแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอแม่เถินห่างมากแล้วถึงวันที่ตัองป่วยแล้วก็โลกก็ลุกลามจนมาอยู่ระยะท้ายเนี่ยพอแม่ได้มาหามาเยี่ยม แล้วก็มาดูแลมากอดก็มีความสุขมาก้คนป่วยที่ใกล้ตายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีความสุขนะความสุขอย่างนี้งคือการที่เขาได้รับความรักนะจากคนที่มันมีความหมายต่อชีวิตเขาถ้าตอนนั้นยาไม่ช่วยละบางทีมอร์ฟีนก็ไม่ได้ช่วยด้วยซ้า ส, สิ่งที่ช่วยนะต่อจิตใจก็คือความรักของพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดคือไม่แต่ความรักของพยาบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความรักนันมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะสำหรับคนป่วยเราซื้ออย่างอื่นให้เขาเนี่ยไปซื้อซุปไก่ซื้อรังนกเนี่ยมันยังไม่มีความหมายเท่ากาัน ให้ความรั ก, กับเขาโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยหรือว่าคนที่เป็นเป็นลูกนะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นการปฏิบัติธรรมคือการให้ความรักที่จริงควรจะทำนะตั้งแต่ลูกยังเล็กยังเด็กพ่อแม่ก็ปฏิบัติธรรมด้วยการให้ความรัก และความรักมันแสดงออกด้วยกันให้เวลาหรือมีเวลาให้ไม่ใช่ให้เงินมีคนก็บอกว่าความรักมันเขียนว่าเสลวอลรออาความรักมันแสดงออกด้วยเวลาเมื่อให้ให้เวลากับเขามันก็เติมเต็มาความรักความอบอุ่นมันก็ทําให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่จเจริญเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี ถ้สุขภาพจิตมันมีปัญหานะพร่องความรักความอบอุ่นนะไอการปฏิบัติธรรมก็มีปัญหามีอุปสรรคเพราะว่าเหมือนกับว่าในเมื่อจิตใจยังไม่ได้รับการเติมเต็มเลยจะทำอะไรให้มันให้ดีขึ้นไปกว่า น, นั้นก็ยากต่อเมื่อได้รับการเติมเต็มอาจจะไม่ได้รับจากพ่อแม่นะแต่ จ, จะได้รับจากคนรอบข้าง จนกระทั่งรู้สึกเห็นค่าของตัวเองมีความภูมิใจมีความมั่นใจในตัวเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญสติหรือว่าการเจริญกรรมธรรมนเนี่ยมันก็จะก้าวหน้าได้ง่ายเพราะนั้นแต่แต่ก่อนอถึงตรงนั้นเนี่ยนะวัดจะมาปฏิบัติธรรมหรือไม่เพียงแค่ที่จะใช้ช่วยเป็นคนดีได้เนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งเนียคือความรัก แค่ถ้าเราอยากจะช่วยผู้อื่น เ, เริ่มต้นในการให้ความรักกับเขาไม่ต้องคนไกลตัวนะคนใกล้ตัวนี่แหละลูกหลานหรือบางทีแม้แต่พ่อแม่ด้วยเพราะพ่อแม่บางคนก็ขาดความรักมาตั้งแต่เด็กนะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่สมบูรณ์นะใช้ความรุนแรงกับลูกด่าว่าลูกหรือบางทีก็เอาเปรียบลูก นะเรียกร้องจากรูปตลอดเวลาอันนี้ก็ก็มีอยู่นะนะคนเรานี้ยขาดความรักถ้าไม่เข้าใจก็จะเกิดความเกลียดชังเกิดความระอาไนแห น, แนงซึ่งยิ่งทําให้เขาแย่ยิ่งกว่าเดิมอาจารย์พุทธทานเคยบอกว่านะหัวใจของาศาสนาคือรักผู้อื่นนะอันนี้รวมถึงาศาสนาพุทธด้วยนะรักผู้อื่น ไม่ต้องรักไกลนะเอาเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนคนในบ้านนี่แหละแล้วมันก็จะเป็นพื้นฐานไปสู่การรักคนไกลออกไปจงทั้งรักสรรพัตว์อย่างที่เราแผ่เมตตา ก, กันทุกชา้าทุกเย็นสัพเพสัตตาเนี่ยนะเอาคำนี้ก็พูดท่านี้นะเอากราบพระ